รวมสิกขาบทที่มีในมุสาวาทวรค 1. มุสาวาทะสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวเทศส 2. โอมะสะวาทะสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวเศียีสี 3. เปศุญญะสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวส่อเสียด 4. ปะทะโสธรรมสิกขาบทว่าด้วยการสอนให้กล่าวทำแข่งกันเป็นบทบท 5. สหเสยะสิกขาบทว่าด้วยการนอนร่วมกัน 6. ทุติยสหเสยะสิกขาบทว่าด้วยการนอนร่วมกันข้อที่สองธรรมเทศนาสิกขาบทว่าด้วยการแสดงธรรม 8. ภูตาโรโจนะสิกขาบทว่าด้วยการบอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริง 9. พุทธุลาโรจนสิกขาบทว่าด้วยการบอกอาบัตชั่วยาบสิบปัทวีขณนณะสิกขาบทว่าด้วยการขุดดิน